นนะนนะทีนี้มาดูว่าเกี่ยวกับเรื่องมงคลนเนี่ย น, นะก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสมงคลค น, นะซึ่งพระองค์ก็ตรัสที่เมืองสาวัตถีเมืองเชตวันใช่ไหมแต่ถ้าคําว่าเอวามีสุตังเอกังสมยังภะควาเนี่ยคําว่าเอวเมสุตังนี่ไม่ใช่พระพุทธพจน์นะข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะพระองค์ต้องไปฟังใครมาไหมไ ม, ไม่ต้องเห็นไหม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 ศึกษาพระธรรมมากทำให้เห็นน้ำใจของพระมหาเิระสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลว่าท่านเคารพรักธรรมวินัยขนาดไหนในหน้า120ข้อความย่อนหน้ากลางๆอ น, นคือก่อนที่จะได้กล่าวถึงสังขยนาเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อวานนี้ผู้การสาธยายเรื่องพระพุทธคุณใช่ไหม สาธยายทีก็พาเรากราบทีนอบน้อมทีอัน น, นก็โอ้ปูชาจะปูชนียานังนะทำอ่าเรียกว่าไปไหว้คนทั้งโลกเนี่ยที่มีอยู่ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะหาร16กอาเรียกว่าอะไรนะคูณ16คูณ16บ้าครั้งไม่รู้จะเท่ากราบแบบเท่าได้บุญเท่าเมื่อวานหรือเปล่าไม่ทราบเพราะนั้นก็โอ้ได้บุญอย่างมากะนะขอให้ระลึกถึงแล้วก็กราบคุณพระพุทธเจ้าเถอะ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 แล้วสมาทานบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัภบารมีสิบมหาบริจาคหาอธิษฐานทรรม4ประพฤติจริยาสามตลอดระยะเวลาสอสงไขยกำไรแสนกับแล้วก็ยังได้อ่านะมาปฏิสนธิในคันของพระสิริ ม, มหามายาประสูติหลังจากที่ประสูติเจริญวัยมาโดยลำดับก็บำเพ็ญปณิธานคือบำเพ ป, ประธานคือความเพียร ทำทุกขระกิริยาเพื่อแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่หกปีนะหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาตรัสรู้อรยิยสัจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้บรรลุเพราะทำความเพราะทาทุกขระกิริยานะแต่พระองค์บรรลุเพราะมัชฌิมาปฏิปทาพอพระองค์บรรลุก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหรันต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 สวดทั้งไทยทั้งบาลีสลับกันบ้างจะได้สวดได้สามอย่างออบทเดียวเนี่ยอะอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนอันนี้บาลีล้วนๆใช่ไหมพอบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะอันนี้สวดเป็นภาษาไทยใช่ัหมว่างๆก็สวดทั้งไทยทั้งบาลเออีเรื่องเดียวเนี่ยสามารถไปได้ตั้งหลายอย่างสวดแล้วก็จะได้แะเลือกโดยเนยักษต่างๆ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 เอากรรมฐานสี่ประการนักพุทธานุสติเมตตาอาสุภะมรณะเนี่ยนะ่อย่างนี้ไม่ผิดแต่ว่าเมตตาเออขออภยัยมรณะเนี่ยนะอยู่บนรถคนไม่ค่อยกล้าคิดกันกลัวจะเป็นลางร้ายอะนะไอ้ไม่คิดนั่นแหละมันจะเป็นลางร้ายนะถ้าไม่คิดถึงความต า, เ ย, า, ายเนี่อลางร้ายแน่นะยม nông ก็ไปคิดเยอะๆทีนี้พระองค์เมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของโลกพระองค์ก็บำเพ็ญ พุทธกิจเนี่ยนะกิจที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องประพฤติเนี่ยนะพุทธกิจเพราะว่าในหนังสือพุทธกิจซึ่งผู้เรียบเรียงก็ของเรานี่ก็นับว่าเป็นมงคลนะได้คบบัณฑิตเพราะมีบัณฑิตผู้เรียบเรียงพุทธกิจก็อยู่ในห้องเราด้วยนะเนี่ย น, ะ, นะอยู่ด้านโน้นเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆประตูนั่นแหล ะ, ะปาสุรีช่วยยกมือหน่อยนะเขาจะได้รู้และลึกถึงมีอุปการะมากแล้วนะการเรียบเรียงพุทธคุณ ก็ เ, เห็นได้ยืงขึ้นหน่อยสิครับอ่ามียืงขึ้นหน่อยโอ้อออก็คุณป้าสุเรนี่ก็เรียบเรียงพุทธกิจนะแล้วก็พุทธคุณเอ่อขออภยัยพุทธประวัตินะพุทธประวัติของกลุ่มคณะสายธรรมเนี่ยเรียบเรียงพุทธกิจพุทธประวัตินี่ก็อีกไม่นานก็จะคลอดมาเล่มใหม่อีกร์เรียกว่าตามรอยพระธรรมนั่นนะตามรอยพระธรรมกล่าวถึงอนุปุทิกถาก็ ทำโครงการอันใหม่อีกนะนะยังไม่เต็มนะเพิ่มอีกโครงการหนึ่งขึ้นมาทยอยทยอยที่เรียกว่าสติปทานนันะก็จะเรียบเรียงสติปทานที่ที่เป็นเรื่องที่เราเรียนกันเนี่ยมาเรียบเรียงเข้าเล่มนั่นนะนั้นก็ป้าสุริรับงานเรียบเรียงหนังสือเป็นที่ประทับใจผู้การมากเพราะว่าการเรียบเรียงหนังสือนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่นั่นะเป็นเรื่องที่ฉันท่อุตสาหะอย่างมาก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 เพราะพระองค์กําจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกจากพระองค์หมดแล้วตืนอนเอาพูดแต่เช้ามืดนะเช้ามืดนี่ตรวจ ด, ดูอัธยาศายเวนัยศัตร์ก่อนใช่ไหมว่าอัธยาศัยของเวนยศัสตร์ทั้งหลายเป็นเช่นไรมีใครจะไปควรได้รับการปโปรดการสงเคราะห์ที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรบ้างสายมาก็ไปบินทบาทเพื่อรับอาหารของอ น, นะเวนยศัสตร์เพื่อสงเคราะห์เข้าอีกนั่นแหละ กลับมาถึงวัดก็แสดงธรรมให้พระภิกษุฟังใบใบตรวจดูอัธยาตรวจดูพุทธเวนัยอีกครั้งหนึ่งตรวจดูเวนัยศัสตร์ทั้งหลายหัวค่ําก็เริ่มแสดงธรรมสงเคราะห์พระภิกษุสงเคราะห์คารวะหลังจากนั้นก็แสดงธรรมสงเคราะห์เทวดาแล้วพระองค์บำเพ็ญกิจอันนี้อยู่กี่ปี45ปีเนี่ยนะสีปีด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความลําบากทางพระวรกายแต่ไม่ลําบากใจ เพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นใจพระองค์สิ้นโทสะแล้วจึงไม่มีความลำบากทางใจกิจเหล่านี้ที่พระองค์บำเพ็ญเนี่ยนะประกาศพระสศธรรมอยู่ 45,000 สาที่พระนรท่านได้เรียนมาทั้งหมดเรียนจากพระพุทธเจ้าเนี่ย 82,000 พระธรรมขันที่ท่านเรียนจากพระพุทธเจ้านะ 82,000 พระธรรมมาขันท่านเรียนจากภาษาริบุตรเป็นต้นอีก สองพันธรรมขันก็เลยเป็น 84% ดหมพันธรรมาขันมันการที่พระองค์ประกาศธรรมจักเนี่ยจบจนดับขันปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะปรินิพานธาตุคือดับอุปาทินากะรูปดับรูปที่เกิดจากกรรมนีนะดับกรร ม, มชรชโรย่างเราไปไหว้พระาธาตุเนี่ยนะทุกวันเนี่ยไม่ได้ไหว้กรรมมชโรษนะไหว้อุตตชโรบอันนะอุตตชรูป วินิโพค ร, รูปแต่เป็นกรมมปัจจยะอุตุ น, นะยาวๆหน่อยนะเป็นกรร ม, มปัจจะยอุตุและก็รูปเหล่านี้เคยเป็นที่ตั้งแห่งอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะก็ก็นับว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุกล่าวถึงพระองค์นั้นปรินิพานในเวลาใกล้รุ่งวันวิสาขบรมีระหว่างต้นสาระคู่คือของของเรากับของ ของในทางคำภีเนี่ยมีวิธีการเรียกการนับที่แตกต่างกันอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันวิสาขะไม่ใช่ว่าเช้าวันวิสาขาพะ พ, ารรนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อ่ก่อนสว่างของวันแรมหนึ่งคำ่ำนนะก่อนวันแรมหนึ่งคำ่ำเพราะเย็นวันวิสาขะเนี่ยเป็นเย็นที่พระองค์เนี่ยเจริญกรรมฐานอย่างเต็มที่เพราะนั้นก่อนสว่างเนี่ยบรรลุทางธรรมะถือว่าก่อนสว่างนะอย่างสมมติถ้า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 ประกาศก่อนดับขันปรินิพานสี่เดือนใช่ไหมว่าอีกสเดือนเราจะดับขันปรินิพานเพราะนั้นระหว่างนั้นอะ่ะมีผู้ที่มาติดตามเนี่ยนะพระพิสูจน์หลังจากที่รู้ว่าพระองค์จะดับขันปรินิพานเนี่ยไม่มีใครจากเลยติดตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดแสรูปแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ได้เข้าประชุมก็มีแต่ว่าอันนี้พูดถึงเฉพาะที่รวมเนี่ยนะเจ 0,000 รูปทีนี้พระมหากษัตริยถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สุด อายุพันสามมากที่สุดในตอนนั้นนะแล้วก็ถือว่าเป็นสาวกองค์ที่สามสาวกองค์ที่หนึ่งคือพระสารีบุตรองค์ที่สองพระมหาโมคลานะองค์ที่สมพระมหากะสปะที่เรียกว่าเป็น ต, ตัตยะสาวกเลยนะเป็นสาวกองค์สำคัญที่พระพุทธเจ้านั้นยกย่องชมเชยมากเนี่ยนะทีนี้พระมหากะสปะนั้นท่านระลึกถึงคาของหลวงตาสุภาาัทะ หลวงตาสุภัททะนี่ก็เป็นพระเถระเออเป็นพระพิสุที่บวชตอนอายุมากก็ก็มีนะบางคนก็บวชอายุมากว่านอนสอนง่ายก็มีเช่นพระราทะบวชอายุมากแล้วก็ว่ายากเหมือนหลวงตาสุภัททะนี้ก็มีนะนะทีนี้คําของหลวงตาสุภัททะนี่แกแกกล่าวคือวันหนึ่งเนี่ยนะพระพิสุทั้งหลายได้รับแจ้งว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันปริญิพานแล้วพระ ผู้ตุชนที่มีศรัทธามากกับพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยร้องให้กลิ้งเลยนะร้องให้ครุกฝุ่นอยู่ตรงนั้นนะเสียใจมากที่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานตัวเราเองก็ยังไม่บรรลุพระพุทธเจ้าก็รีบดับขันปรินิพานไปเสียก่อนก็ร้องให้คร่ำครวญหลวงตาสุภาธาก็บอกเฮยพอกันทีเถิดบอกก็อย่าร้องให้เลยว่ากั้นผู้มีอายุทั้งหลายอย่าเศร้าโศกไปเลยอย่าร่ำไรไปเลยพวกเราพ้นดูเลพ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะผู้นั้น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 คือสนทนาธรรมกับนิ่งแบบพระอริยะตำหนิเรื่องการคลุกคลีเป็นต้นเนี่ยนะสรุปเราทำความชั่วทางกายหน่อยพระพุทธเจ้าก็ามาเตือนบัญญัติพระวินยัยเนี่ยนะเราสนทนาเดรฉ า, านกถาพระองค์ก็เสด็จมาห้ามอีกเราคิดอกุศลวิตตกพระองค์ก็ยังตามมาห้ามความคิดอีกโอ้โล่งอกสักทีหนึ่งว่างั้นเนละเขาเขาเป็นคนที่มีประวัตินะเขาก็ อดีตเนี่ยเขาก็บวชตอนอายุมากเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเก็บรวบรวมเงินที่เขาสะสมไว้เกือบตลอดชีวิตเนี่ยมาปรุงอาหารเองแล้วก็ใช้ให้สมณีลูกชายเนี่ยไปเที่ยวเรี่อยๆเข้ามาแล้วก็มาปรุงอาหารเพื่อจะถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตำหนิมากนะทยาบาทแกผูกไว้ตั้งกันนั้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลในในด้วยอำนาจโทสะมาตลอดเพราะฉะนั้นพอได้ข่าวว่าพระองค์ดับขันปริณิพานแกดีใจมากเพราะฉะนั้นท่านก็ เสนอความคิดของตัวเองบอกว่ามาบัด น, นี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จะไม่ทําสิ่งนั้นะนะเป็นถือว่าเป็นคําพูดที่เรียกว่าในบรรดาลูกทั้งหลายก็เรียกว่าลูกทรพีเลยใช่ไหมะนะถ้าถ้าเป็นในลูกนะถ้าเป็นตระกูลใหญ่ๆเนี่ยบอกว่าเออนี่พ่อตายซะได้ก็ดีเราต่อไปเราก็ไม่ต้องมีมันยากแล้วอยากทําอะไรก็ทำะนะไม่ต้องรักษาแบบแผนรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมอะไรไม่ต้องแล้ว อ, นนอยากกินเล่าก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวอะไรเป็นต้นเนี่ยนะตอนนั้นว่าลูกคนนี้ทําความเสียหายโดยส่วนเดียวหลวงตาสุภัทาก็เหมือนกันทีนี้ท่านพระมหาคสปะท่านก็มีความคิดผุดขึ้นเลยว่าพวกภิกสุชั่วเข้าใจว่า น, นะปาพศปาพศเนี่ยคือธรรมวินัยมีศาสดาล่วงไปแล้วได้สมัครพักพวกก็จะพากันย่ำยีพระสธรรมให้อันตร า, านไปไม่นานเลย ข้อนี้ย่อมเป็นไปได้นะคือคือพวกพวกบางบางกลุ่มบางคนเขาเข้าใจว่านี่นะถ้าหมดพระพุทธเจ้าซะอย่างเดียวเนี่ยเราอยากจะย่อมยีพระธรรมวินัยขนาดไหนก็ได้พระวินัยเราอยากรักษาเราก็อยากรักษาอย่างเช่นที่เขาว่านะพระภิสุบางกลุ่มเนี่ยพอพออยู่ในประเทศไทยก็เขร่งครัดดีพอไปอยู่ต่างประเทศเท่านั้นแหละผู้ ก, การนี้แหละเราให้ฟังว่างั้นแม้พอเนี่ย เย็นเย็นโยมเขายกอาหารมาเสิร์ฟท่านฉันเอาเลยไม่เกรงใจยโยมบ้างเลยว่างั้นโ <c oughs> การเล่าให้ฟังหน่อนะแม่สังเวชใจมากะนะนั่นก็ถือว่าสแสดงว่ารักษาวินัยเฉพาะในประเทศไทยะนะ ก, ก็คือทําให้เห็นว่าบางกลุ่มเนี่ยรักษาแค่แค่มีเขตมีแดนใช่ไหมพอล่วงเขตล่วงแดนพอพ้นไปอีกที่หนึ่งก็เอาละท่นนี้ฟรีสไตล์หมดแล้วอยากจะทําอะไรก็ทํา ท, ทิ้งบุญทิ้งบาปไปหมดอ่ะไม่สนใจอะไรสักอย่าง เพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้พวกบุคคลเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ามีความคิดแบบนี้จะพากันย่ายีทาลายพระธรรมวินัยซะจนปี้ปนหมดแหละท่านก็เลยคิดว่าตราบใดธรรมวินัยยังดำรงอยู่ตราบนั้นปาพดคือธรรมวินัยก็ชื่ อ, อก็หาชื่อว่ามีาศาสดาล่วงไปแล้วไม่ถ้าธรรมวินัยยังอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนคำที่พระองค์ตรัสกับพระอ น, นุ์ว่าดูก่อนอ น, นุ ธรรมและวินัยใดอันเราตถาคตสแสดงแล้วตัวธรรมะเนี่ยพระองคแสดงใช่ไหมพระวินัยนี่พระองค์บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายถ้าแยกนะพระธรรมนี่เป็นการแสดงพระวินัยนี่เป็นการบัญญัติถ้าแสดงแบบรวมๆว่าธรรมและวินัยใดอันเราตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงรับไปแล้ว เพราะฉะนั้นที่อื่นๆนี่กล่าวกล่าวชี้ชัดไว้เลยว่าดูก่อนอานนท์มาเงินบัตรนี้นะเราเนี่ยมีพระชนอยู่นะมีชีวิตอยู่ตามโอวาทอนุสาสนีเธอแต่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อเราล่วงลับไปแล้วนี่นะพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์จักตามโอวาทอนุสาสนีเธอทั้งหลาย น, นะตอนมีพระชนอยู่เนี่ยนะถือว่าองค์เดียวใช่ไหย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 อะไรถ้าสิ่งนั้นเป็นพระพุทธพจน์นะอยากกล้าปฏิเสธเลยแหละเนี่ยนะถ้าปฏิเสธหนึ่งธรรมขันเท่ากับปฏิเสธพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ใช่ไหมสมมติถ้าบอกว่าอภิธรรมไม่มีความจําเป็นโอ้โหนิหมนพระพุทธเจ้ากลับเลยสี่หมื่นสองพันองค์พระวินัยยุคนี้ไม่ต้องแล้วอ้าวเอาพระนี่มนพระพุทธเจ้ากลับไปอีกสองหมื่นหนึ่งพันองค์บอกพระสูตรนะไม่เอาแล้ว ก็บิมนพระพุทธเจ้ากลับไปอีก2 1,000 องค์เพราะฉะนั้นหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยก็นี่เพราะฉะนั้นถ้าปฏิเสธหนึ่งสูตรอาจจะนิมนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับหนึ่งองค์ก็ได้นะไม่ใช่พระภิกษุนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกสูตรที่ที่เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าปฏิเสธเลยเพราะว่ามีโทษมากนี่ยนะก็เรียกว่าแค่พระภิกษุเซทท่านมาใช่ไหมถ้าเราไล่ท่านนี้ล่ะ มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมไม่สมควรแต่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาสอนเราเราบอกเออองค์นี้เอาไว้ก่อนเรายังไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ดีนะทีนี้พระมหากรสปะท่านก็นมาปรารพบว่าอยากกันนั้นเลยเราจะช่วยกันสังายารรมวินัยโดยวิธีที่พระศาสนานี้จะพึงดํารงอยู่ได้ยั่งยืนยาวนานสังขายาเนี่ยแปลเป็นไท ย, ไทยโดยทั่วไปเขานิยมแปลว่าร้อยกรอง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 ทุกขสัตต้องสอนไหมเออขอไปทุกขสัตว์นี่ต้องต้องต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมไม่ต้องสมุทัยสัตว์ให้ละใช่ไหมแต่ไม่ได้ต้องไปอะไรมันไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทําอะไรขึ้นอีกนิโรธสัจจะก็เป็นอาสังคตาธาตุแต่สิ่งที่พระองค์บัญญัติได้สอนได้ในอริยสัจสีมีอยู่ข้อเดียวคือมรรคสัตว์เพราะฉะนั้นพระวินัยทั้งหมดก็คือมรรคสัตว์ที่เป็นศีลพระสู่ทั้งหมดก็เป็นมรรคสัตว์ที่เป็นสมาธิไง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 ทีนี้ท่านก็มาระลึกถึงอันนี้ปรารกกตอนแรกก่อนนะปรารบถึงว่าคนชัว่วตอนนี้คนชั่วกําลังตําหนิพระธรรมวินยัยอันนี้เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองธรรมวินัยคือพระาศาสดาทีนี้เหตุผลที่สามเหตุผลที่สามนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านว่าท่านนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุเคราะห์ด้วยสาธารณะบริโภคจีวรน ท่านได้รับการสงเคราะห์ในด้านปัจจัยสี่จากพระพุทธเจ้านะเป็นสาวกรูปที่เรียกว่าใช้จีวรผืนเดียวกันกับพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนกัสสะเธอจะครองผ้าป่านบางสกุลที่เราใช้แล้วของเราไววหรื อ, อนี่นะอันนี้นะหลังจากนั้นพอได้รับผ้านั้นพระมหากัสสะสมาทานทุดงสิบสาม นะสมาทานสุดทุดง13แต่ถือปฏิบัติเป็นปกติตามปกติของท่านคือหนึ่งผ้าสผืนสองบิณฑบาตเป็นวัดสอยู่ป่าเป็นวัดอันนี้ถือว่าปฏิบัติตลอดชีวิตส่วนที่เหลือก็ตามสมควรเนี่ยนะตามสมควรก็ น, นับว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าได้ปัจจยัย4จากพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจีวรเนี่ยนะจีวรผืนนี้ที่พระองค์ประทานให้แก่พระหมหากัสปะเนี่ย เป็นจีวรที่พระองค์ไปดึงเอาจากศพศพนางปุณณนะศรีมีนอนอยู่ประมาณหนึ่งธนานหนึ่งแก้วใหญ่เนี่ยนะพระองค์ก็เอาไม้เขี่ยนะดึงผ้าออกมาเอาไม้เขี่ยนอนออกนีค่อยๆเขี่ยนะเอาไม้คบๆไปเขี่ยเนี่ยไม่ได้นะจิ้มเข้าไปทุกทีเลยนะทะลุหมดอ่ะไม่ใช่พระองค์ค่อยๆปัดออกแล้วก็เอามาซักเอามาย้อมถามว่าซักเย็บย้อมตอนไหนตอนที่ทรมานภิกษุพันรูปมันนะ เจ้าแถวนั้นนะที่พระองคอ์ทำผ้าบางสกุลนะนะแถวนั้นนะทีนี้ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังสถาปนาพระมหากัะสปะเอาไว้กับเสมอเสมอกับพระองค์ในอุตริมนุสธรรมคือทำอันยิ่งยวดของมนุษย์ต่างโดยอับอนุปผ้าวิหารสมาบัติ9้าและอภินยาหนะนะพระพุทธเจ้ายกย่องว่าถ้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าปฐมฌ า, านเพียงใด พระมหากระสปะก็ทำได้เพียงนั้นทุติยชาตตติยชาติจตุทชานอากาสาณัญชายตนะวิญญาณัญชายตนะอากินจัญญาญตนะเนวสัญญานาสัญญาญตนะสัญญาเวทายิตานิโรธอนุปุพพวิหารสมาบัติก้าจำง่ายง่ายวารูปประชานสอารูปประชานสนิโรธอีกหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นเกและอภิน ญ, ญาหใช่ไหมเรื่องแสดงฤทธิ์เป็นต้นเนี่ยนะมันพระองค์นี้นะนนยกย่องว่าพระมหากระสปะเนี่ย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 ซึ่งจริงๆแลว้วที่พระองค์ประทานให้ทั้งหมดเพราะพระองค์นี้ทรงทราบว่ากัสปะผู้นี้จะเป็นผู้ดํารงวงพระสัพทธรรมของเราเนี่นะทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นศัพทธรรมนี่หมายถึงอะไรสัพทธรรมนะหมายถึงโพธิปัจจคยธรรมนะโดยทั่วไปนั้นพระสัพทธรรมเนี่ยหมายถึงโพธิปักขคยธรรมแต่โพธิปัจจคียธรรมก็กว้างขวางอะนะ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 เหมือนท่านพระอุบาลีเถระกล่าวไว้ในปั น, ปนจสติกะขันธกะเล่มเก้าข้อ614หน้า519เป็นต้น น, นะที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแหละท่านพระมหากรสปะเล่ากับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายครั้งหนึ่งเราเดินทางไกลจากนครปาวามาสุนครกุศินาราพร้อมกับภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณห0 0อรูป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 ตัวสภาวธรรมนะเช่นอย่างเห็นเห็นในในยุคนี้นะโพธิปักขยธรรมรุ่งเรืองไหมไม่รุ่งเรืองตัวสภาวธรรมคือโพธิปัจฉยธรรมศรัทธาวิริย ะ, ะหรือสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์เป็นต้นนี่รุ่งเรืองไหมไม่รุ่งเรืองแล้วพระธรรมเหล่านี้ร่วงโรยเต็มทีท่านก็รเห็นเหตุนะนะพระมัสสปะนี้ท่านมีอนาคตังลยาณอยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้อย่างในยุคเรา เ, ราเรานี่ก็เห็นชัดว่า อธรรมนี่รุ่งเรืองธรรมะก็ร่วงโรยอวิไนนี่รุ่งเรืองความทุศีนี่รุ่งเรืองมากอยยกตัวอย่างว่าถ้าในหมู่พระพิสูดด้วยกันถ้ามีการทุศีนขึ้นมานะถ้ารูปใดไม่ยอมทุศีในในหมู่คณะด้วยนี่เสียหายนะรูปนั้นอาจจะอยู่ในหมู่คณะเขาไม่ได้ต้องต้องอยู่กับหมู่กับคณ ะ, ะนะถ้าถามว่าอยากรู้ก็ไปสนธนาการจารสันติเป็นการส่วนตัวว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่ฮะนะี แต่ว่ามีถ้าพระพิสุถ้ายากัยากษรักษาพระวินัยเนี่ยนะก็เก็นับว่าละหมาเพราะว่าอวินัยนี่นนนนนรุ่งเรืองเต็มทีแล้วพระวินัยร่วงโรยเต็มทีทีนี้ข้อแรกนะทำกับวินัยเนี่ยหมายถึงสภาวะธรรมนะทำกับวินัยธรรมะก็หมายถึงว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติส่วนวินัยก็หมายถึงพระศีล น, นั่นเองก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอนาคตต่อไปศีลสมาธิปัญญา ร่วงโรยความทุศีลความฟุ้งซ่านความโง่เขาจะรุ่งโรตรุ่งเรืองไปหมดอันนี้เรียกโดยธรรมะต่อไปโดยบุคคลบุคคลนะต่อไปใครก็ตามที่กล่าวไม่เป็นธรรมอธรรมวาทีคือบุคคลที่กล่าวไม่เป็นธรรมจะรุ่งเรืองผู้ที่กล่าวอัดกล่าวธรรมจะร่วงโรยว่างั้นือก็จะอ่อนกาลังอันนี้โดยบุคคลนะ